พ่อน green, ้องน้องพนันไปคุณประพุทธคุณประทัาคุณประสงค์ข้อกาบอุชาบุญหลวงพ่เทียนหลงพพงเทียนข้อกาบประจันติธแล้วก็เชิญพรนทุกท่านนะครับเยน้ำน่งนะครับตามบายไปเดินึ่งก็เึินไทยเดินบ้านก็เดินนะเอาตามที่เรารู้สึก มันเหมาะสมกับตัวเราเนาะคนง่วงมาให้นั่งมันก็จะยิงง่วงนะถ้าง่วงก็เดินเลยให้เป็นไรนะเดินไปฟังไปหรือถ้าใครอยากจะฟังก็ฟังเนาะไม่เป็นไรนะให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติกางตามพัธยาไสเนาะ เพราะการปราลกความเพียรนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวครับว่าจะต้องทาแบบไหนนะมันเกี่ยวกับที่เรารู้ตัวของเราเองหละนะว่าที่เราทำอยูนะ่เนี่ยมันทำความเพียรนะหรือว่า ม, มันมีความขี้เกียจขีคค้ค้านในจิตใจของเราเนะี่ยเราก็ดูตัวเราเองแต่ก็ถ้าใคร อยู่ได้ถึงตอนนี้ก็ต้องขออนุโมทนาเนาะที่พวกเราอยู่ยได้ผ่านพ้นครึ่งคืนพ้นวันที่22และวตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่23ถือว่าเป็นวันที่หลวงพ่อท่านรักสังขาร น, นะวันที่23ก็ผ่านมาปีหนึ่งพอดีเนาะ ท, ท, ท, ท, ทุกคือนนอะก่อทีหลองพ่อจะใช้รับสําขาญประมาณก่อนหนึ่งเดือนที่กุติที่ตอนนี้เป็นกุติพิพิธภัณฑ์แต่ก่อนก็ต้องมาให้อาหารหลองพ่อในตอนเที่ยงคืนรอบหนึ่งห้าทุ่มกว่าก็กาต้องลุกขึ้นมาอุ่นอาหารพระอาจารย์ตุ้มก็ ทำหน้าที่มีประจํานระาพ อ, อุ่นอาหารเสร็จก็มาเอาอาหารนะใส่ถุงนะแล้วก็เอาใส่ส่ ย, ยางช่องหน้าท้องให้กับห่วงพ่อหลวพ่อก็ต้องบางทีก็ต้องตื่นเพราะว่ารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่เราต้องกระทบกับท่านหรือว่ารู้สึกถึงร่างกายที่มันต้องย่อยอาหารแบบนี้นะ ก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่หลวงพ่อท่านอาพาธจากโรงพยาบาลจุานะลาขับมาที่วัดปูขรท้องก็ดนะีหรือว่ามาที่สุขคนโตก็ดีเวลาประมาณเที่ยงคืนนั่นแหละนะเราก็ยังมีกิจที่ต้องทำกับหลวงพ่ออยู่มีเดือนสุดท้ายปรอมาณเดือนสุดท้ายถึงเปลี่ยนนะเปลี่ยนโปรแกรมนะไม่ไม่มีอาหารช่วงเที่ยงคืนก็ักสามเวลาแทนะ แต่ก็เป็นสามเวลาที่ปริมาณอาหารเท่าเท่ากันกับสี่เวลานี่ก็มันก็เป็นกิจที่น้องพ่อได้เกี่ยวข้องกับเราหรือวันนี้พวกเรามาปรับความเทียนทาในสัจ ช, ชิกนะบางคนอาจจะเป็นพื้นแรกทั้งแรกในชีวิตไนมะอาจจะรู้สึกยากนะนะแต่บางคนก็รู้สึกเออ ก็สนุกดีมีครูบาอาจารย์มีแม่ชีมีเพื่อนมาปฏิบัติด่วยก็รู้สึกอุ่นใจดีมีเพื่อนปฏิบัติแต่จริงปราล้มไหมที่วัดที่วัดถุกตะโตนี้ก็มีมีพระอาจารย์รุ่นหนึ่งนะท่านเนรเศรษิชมาสองสามปีลวไม่นอนมาสองสามปีแล้วนั่งไปเดินที่ิบวัตนอนแต่อาจจะนั่งหลับนะ ที่สุดติที่กั้นอี้แบบนี้บ้างท่านเป็นพระชาวีรังกาเนาะตั้งใจมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขตโตท่านก็อธิษฐาน น, นที่จะเนตชิกมาน่าจะปีนี้น่าจะร่วมปีที่สามอื้ท่านก็บอกจะตั้งใจอธิษฐานไปเรื่อยถ้าพวกเราวันนี้ไม่ไหวให้คิดถึงท่านนะเราเพิ่ง คืนแรกคืนเดียวนะไหวหรือเปล่านะท่านสองสามปีแล้วนะยังไหวยอยู่นะอายุท่านก็เยอะแล้วเนกะือบหกสิบละหรือหกสิยังมี้ประมาณนั่นแหละคือร่างกายนะบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเนี่ยนะใจใจเราถ้ารู้สึกว่ามันไหวนะรู้สึกว่ามันสู้นะ มันก็ทําให้ร่างกายเราสามารถที่ที่จะสู้ได้เนาะแต่ถ้าร่างกายของเราบอกไม่ไหวไม่ไหวนะมันก็จะไม่ไหวนะอ่าอทีความง่วงเนะี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของกายเนาะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของใจนี่แหละที่มันไม่ไหว น, ะนั่นเราต้องลองเรียนรู้ดูเราจะอยู่กับกับร่างกายที่ง่วงอย่างไรนะโดยที่ใจเรา ไม่ื่มตาม น, นะนันะมันสามารถที่จะอยู่ได้นะบางทีเราก็ยอมรับเราไม่เราไม่ด้ปฏิเสธนะว่าจะต้องไม่ง่วงนะจะต้องไม่เหนื่อยนะอันนี้คือเรื่องธรรมชาติของกายนะที่อาจจะอาจจะง่วงอาจจะเหนื่อยยิ่งจะโดยเฉพาะหลายคนยิ่งโ้หน้าเส้นเนานะไปปลูกป่านะเดินขึ้นเขาตากแดดปลูกต้นไม้กลับมาป็ยังมา ปฏิบัติธรรมค้างคืนอีกอนี่คือเรียกว่าพกใจสู้นะอเอาทั้งแบบงานดุยดุยนะบูกป่าเดินเขาเดินทางออกงานที่มันดูเหมือนเบานะปฏิบัติธรรมดูเหมือนนั่งก็อยู่ในร่มไม่ค่อยได้ทำอะไรมันดูเหมือนเบาน ะ, ะปฏิบัติธรรม แต่มันหนักข้างในใช่ไหมครับางทีบางทีมีนักปฏิบัติธรรมให้แบบที่แบบถูกเกณฑ์มานะชเช่นเด็กนักเรียนนะถูกเกณฑ์มาอบรมปฏิบัติธรรมนะหรือบางนุษยบางหน่วยงานก็แบบคล้ายค้ายขอล้องกันมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมกันได้สองสาวันถ้ามีคําถามนะประมาณว่าอวันนี้ให้ปฏิบัติธรรมทั้งทั้งคืนหรือทั้งวัน หรือว่าจะเลือกไปทำงานปลูกต้นไม้หรือว่าถางหญ้าส่วนใหญ่นะพวกที่มาแบบไม่ค่อยเต็มใจเลือกไปทำงานมากกว่าไปถางาหญ้าไปปลูกต้นไม้ไปตากแดดเอาแบบนั้นดีกว่ามันรู้สึกว่าการทำกรรมฐานแม้ดูเหมือนอิริยาบถมันดูเหมือนไม่ได้เหนื่อยอะไรมาก เป็นมันเหนื่อยที่ใจใช่ไหมมันเหนื่อยที่ใจที่แบบต้องต่อสู้กับตัวเองนะต่อสู้กับความง่วงต่อสู้กับความเบื่อต่อสู้กับความสงสัยนะต่อสู้กับความคิดนะทำไมมันมาเยอะเหือเกินนะทำไมมันไม่สงบอนะไรเี้ยเพราะเราคิดว่ามันต้องต่อสู้นะแต่ถ้าเราวางใจจริงจริงไม่ได้สู้นะแต่ดูมันนะ มันต่างกันนะเหมือนเหมือนเราสมมตินักกีฬาเช่นสมมุตินักมวยก็ดีนะสมมุติเขาเขาต่อสู้กันเหมือนฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินนะคนลามุมต่อสู้กันนักกีฬานีโน่โดนโดนชกนะหรือว่าแค่โลบนี้ก็เหนื่อยละนะถ้าเราเป็นนักต่อสู้กับกีฬาเช่นนะมันก็จะเหนื่อย แต่ถ้าเราเป็นผู้ดูนะมันเราไปกองเชียร์สนุกนะเป็นกองเชียร์ดูบนเวทีเนี่ยดูเขาชกกันดูเขาแข่งกันเนี่ยเราก็ไม่เหนื่อยนะสนุกนอกจากควรเชียร์มากเกินไปก็อาจจะหัวใจเต้นผิดปกติมากนแต่ถ้าเราดูเฉยเฉยเนะี่ยมันก็เราจะเห็นนะเราจะเห็นแบบลีลาของแต่แลนะฝ่ายการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะ เราจะเห็นดีลาของของจะเรียกว่าฝ่ายดำกับฝ่ายขาวก็ได้นะในใจของเร า, น <c oughs> าเนี่ยแหละบางทีเช่นง่วงเนี่ยบางทีก็จะมีเหตุผลนะ <c oughs> วันนี้ทงวันไป ป, ป, ปปลูกป่ามาเหนื่อยแล้วนะไปพักผ่อนดีกว่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าทำวัดไม่ทันนะหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่สบายอันนี้ก็เหตุผล <c oughs> หรือบางคนก็อาจจะมีเหตุผลอ้าวโอ้กูบายจารย์ก็อยู่เลองปฏิบัติทําต่อทั้งคืนนี้ไหมเนี่ยเหตุผลฝ่ายดำกับฝ่ขาวมัมก็จะมีนะในใจของเราอืแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะรับฟังไปไหนอืหถือว่าเราลองจะอให้โอกาสกับไฟไหนเนี่ยเขาได้ทํางานมันมีหลายอย่างนะออ เพราะเราก็เคยเจอนะบางทีเช่นมีคนมาว่าเรามีคนมาทําร้ายเรานะี่ยเรารู้สึกว่าเราโดนนะี่ยถ้าเราก็จะมีเหตุผลสมควรที่จะต้องไปว่าด่าเขากลับหรือต้องไปทําร้ายเขากลับนะั่นก็มีเหตุผลมากเลยนะ <c oughs> เหตุผลที่สมควรมากที่เราจะต้องเอาคืนนะเอาคืนเขาให้ได้อันเนี้ยแต่พระพุทธเจ้านะท่านบอกว่า ไม่มีเหตุผลใดที่สมควรต้องโกรธเรียกว่าจะด้วยเหตุผลใดก็เชื่อไม่ได้ถ้าถ้ามันอ้างเพื่อให้เราไปโกรธคนอื่นอันนี้การปฏิบัติธรรมนะเราก็หลวงพ่อกลเขียนท่านบอกหมัดเด็ดนะบอกไม่เอาเหตุไม่เอาผลภาวนาเนี่ยถ้าเราภาวนาไปไปคิด แต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างงี้นะทำไมถึงเกิดอย่างนั้นอย่างนี้นะี่คือเราไปอยู่ในความคิดนะเหตุผลก็คือความคิดอย่างหนึ่งแต่เราอาศัยสติปัญญานะดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญาคำว่าพิจารณานี่ไม่ใช่คิดนะแต่คือมันเป็นปัญญาที่เราเห็นนะเมื่อเห็นบ่อยๆเป็นบ่อย มันเข้าใจสภาวะต่างๆที่มันแสดงมันมันจะรู้สึกเองนะมันเป็นมันเป็นความรู้ความเข้าใจนมันไม่ใช่ความคิดนะมันเรารู้สึกตัวนะเรามือสัมผัสกันอเดินก็ดีคำว่ารู้สึกมันก็รู้สึกของมันนะมันไม่ต้องมาคิดไม่ต้องคิดว่ายกมือไม่ต้องคิดว่าเดินนะมันเป็นความรู้สึกอะ ปัญญาหรือว่าการพิจารณาคือมันรู้สึกได้ถึงสภาวะตรงนั้นน่ะมันเป็นธรรมชาติแบบไห น, น, นเราลองดูนะอย่าไปเชื่อความคิดเหตุผลในต่างๆนะดูมันไปเรื่อยนะดูไปเรื่อยนะแต่ก็อยากจะให้พวกเราพยายามเรียกว่าน้อมไปในทางที่มันเป็นไฟ ฝ่ายที่ทำให้อินทรีมันแก่กล้าขึ้นเนา ะ, อ, ะอาจจะน้อมด้วยความศรัทธาศนระัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในครูบาอาจารย์เนาะเช่นะ เ, นเราศรัทธาในหลวงพ่อคำเขียนเราก็น้อมเอาศรัทธานั้นมาเป็นการปฏิบัติบูชาอันนี้ก็จะช่วยแบบเสริมพลังได้เยอะเลยนะคือถ้าเราคิดถึงแต่ความเหนื่อยล้าของเราเนี่ยเราก็จะท้อ แต่ถ้าเราคิดถึงว่าที่เราทําเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชานะไม่ใช่ทําเพื่อจะเอาอะไรเนะับเราเราทําเพื่อที่จะให้เวลาเราเอาพ้อดังว่าเราทําำในเพื่อทจะให้หรือเพื่อจะสลาดหรือทําให้คนอื่นก็มีความสุขอื่นทําให้คนอื่นเ ข, ขอนอนเ พ, อพอใจมันจะมีพลังเนาะสังเกตไหมเวลาแบบทําไมพ่อแม่นะเลี้ยงลูกได้แบบไม่เหนื่อยนะบางทีบางคน มีลูกห้าหกคนนะพ่อแม่เลี้ยงได้นะแต่ลูกสมัยนี้บางทีพ่อแม่แค่คนสองคนนะเลี้ยงไม่ได้นะอืมลูกต้งมาเยอะนะแต่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้นะพ่อแม่เจ็บไข้ที่ป่วยก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยเป็นภาระแต่ทําไมพ่อแม่สมัยก่อนมูมีลูกเยอะนะแต่เลี้ยงได้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพระังนะพระดังที่จะให้นะ เมื่อเราเอาพระราที่จะให้นะไม่ใช่คิดจะเอาถ้าคิดจะเอานะี่มันเหนื่อยนะอืมเราเมื่อไหร่เขาจะให้เราเราเอเมื่อไหร่เขาจะอืมคล้ายๆเอาใจเราเนะี่ยมันเหนื่อยนะเหนื่อยจริงๆแต่ถ้าเราเอาพระรามขงเราเราให้เนะเราให้เป็นการปฏิบัติก็คือเป็นการปฏิบัติบูชานะเรามาช่วยนะ ต่ออายุพระพุทธศาสนานะบางทีคนคิดว่ามาอยู่วัด่คือมาหวังพึ่งหนะวังพึ่งศาสนามาหวังพึ่งวัดหวังพึ่งครูบาอาจารย์พอคิดหวังพึ่งเนี่ยมันหมดท่าแล้วนะเ <c ười> มื่อไหรค่ครูบาอาจารย์จะมาไปคิดีพึ่งให้กับเราครูบาอาจารย์ไม่อยู่ยเหมานะหถือว่าไม่มีที่พึ่งแล้วนะแต่ถ้าเราคิดที่จะมาช่วยนะ ช่วยศาสนาช่วยกุบาจารย์กุบาจารย์อยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเราจะเอาตัวเราเนี่ยทาแทนท่านจําได้หลวงพ่อคอเขียนเคยเล่าว่าสมัยตอนบวชใหม่ๆหลวงพ่อเทียนก็ไม่ค่อยอยู่วัดเหมือนกันพรป่าพุทธยานก็มีไปซ้นอนที่นั่นที่นี่นะหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อก็ไม่มีเงินตามหลวงพ่อเทียนไปนะหลวงพ่อก็อยู่เปาวัดบางช่วงก็อยู่รูปเดียวนะ ก็คิดในใจอ่ะหลวงพ่อไปสอนไม่เป็นไรผมจะดูแลวัดนะท่านก็ดูแลวัดนะทํากิจวัตรของสงฆ์นะกวาดลานวัดทั่ ว, วัดนะออกบิงถบาทมี ญ, ญาติโยมมา ก, ก็สอนคือท่านคล้ายๆคิดในใจแล้วอืมก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากจะตามหลวงพ่อเทียนนะแต่ถ้ามันตามไม่ได้ก็คิดในใจว่าเออเราก็จะพึ่งตัวเราหรือว่าเราจะทนะําหน้าที่แทน คูบาอาจารย์ให้ได้นะอันนี้ก็คืออยากจะฝากไว้นะบางทีถ้าเรารู้สึกว่าบางทีเราคิดที่จะเอานะหรือว่าคิดกต่จะพึ่งคนอื่นเนะี่ยมันจะเหนื่อยนะถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังนะมันจะเกิดความทุกข์ใจนะแต่ถ้าเราคิดว่าอืมเราจะมาฝึกฝนตัวเราเองภนะูบาอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่แต่แน่นอน ธรรม ะ, ะท่านทิ้งไว้ในหะ้เราอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือเปล่าถ้าเราทำเราก็ได้ผลถ้าเราท้อเราก็ทุกใจเหมือนเดิมบางทีก็ไม่เกี่ยวนะครูบาอาจารย์อยู่หรือไม่อยู่ถ้าเราไม่ทำมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราทำเนี่ยมันก็ต้องเกิดผลของเราเอง อ, อันนี้บางที แม้หลวงพ่อเนาะถ้าจะจากพวกเราไปแต่มาว่าสมัยนี้พวกเรานี่โชคดีนะโชคดีที่สื่อต่างๆมันมีบันทึกไว้เยอะมากใช่ไหฮะเทศหลวงพ่อเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าสักสามสิบสี่สิบปีสมัยหลวงพ่อเทียนก็ใช้เทปเนาะบันทึกในเทปเสียงก็ไม่ค่อยชัดวีดีโอก็มีไม่มากนะัก ในหลวงพ่ อ, ขอเขียนก็เนี่ยเดอนนี้ก็สื่อต่างๆก็ชัดเจนนะเนทั้งซีดีทั้งหนังสือทั้งวิดีโอเนี่ยท่านถ้าเราได้ดู น, น, นะนักก็น้องเข้ามาใส่ตัวสุขภาพการปฏิบัติก็ได้เนก็จะรู้สึกเลยว่าหลวงพ่อก็ทิ้งมอญหลบไว้ให้กับเราท่านาาไม่ได้จากไปที่ไหนนะ พอหมระดกที่สําคัญที่สุดคือตัวธรรมะของท่านตัวที่เป็นรูปร่างสําคัญเนะี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเนาะมันก็เป็นธรรมดานะก็ต้องจากกันไปนะกันธรรมดานะแต่หมอระดกทาที่ท่านทิ้งไว้ให้กับพวกเรานะนะั่นแหละสำคัญมากเนาะก็พวกเรามาปฏิบัติบูชานั่นแหละถือว่าดีที่สุดแล้วเนาะให้เรา เอาชีวิตของเราเนี่ยแหละเป็นการบูชาคุณก็พูดคุณก็ทำคุณก็ส่งไม่ว่าเราอยู่อยู่ที่ไหนเนีนะ่ยถือว่าเราได้บูชาครูบาอาจารย์ถ้าเราทําแบบนี้นะเราจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ห่างกับครูบาอาจารย์เลยนะเราทําครัวอยู่ที่นะโรงครัวก็ถือว่าทําครัวถวายนะ ถวายคูบาอาจารย์ใช่ไหมถ้านไม่มีแม่ครัวออนั่งปฏิบัติธรรมหรือพระสงฆ์ก็ลาบากอืหรือชาวบ้านเขาทําไมเขามีความสุขตื่นแต่เช้ามาหุงข้าวมาทำอาหารเตรียมใส่บาตรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะให้ใช่ไหมเขาอยากจะให้เขาอยากจะใส่าบาตรเขาอยากจะทําบุญมันเป็นพลังที่ทําให้แม้บางคืนนอนดึหลับ แต่ก็มีพระดังที่จะตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อนำะข้าวทำอาหารใส่บาตแม่ครัวที่นี่หรือว่าญาติโยมหลายคนก็เอาพลังนี้เหมือนกันนะเอาพลังนีนะ้ตื่นเช้าเป็นหลายปีละหลายคนก็หลายปีนะทําทุกเช้านะคือญาติโยมเองก็เหมือนกันนะทํามาคิดว่าพวกเราเองก็มีความตั้งใจเนาะเสียสดา ที่วันหยุดเสาร์อาทิตย์แทนที่จะอยู่ที่บ้านแต่เราก็ยังสดักเวลามาที่นี่โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากส่วนโมกกรุงเทพครับรู้สึกว่าโหดเหมือนกันใช่ไหมตั้งแต่เมื่อวานนะมาถึงก็ชมดูพิพิธภัณฑ์หลงพ่อแล้วก็สถานที่ตามรอยหลงพ่อที่กุอองเทพรวมสองชั่วโมงหลังจากนั้นก็เดินมาที่นี่นะ เดินมาที่สุประตมาที่นี่ก็เดินมาถึงก็เกือบทําวัดเจ็เอ่ก็เห็ น, นหลายคนรีบเข้ากรุคลีกเดินไปทําวัดกลัวไม่ทันอ่าตื่นเช้าขึ้นมาอีกก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างคนงนี้ก็ต้องรีบกลับไปอีกไปทํางานทำการแต่มันก็ถือว่าเรามาทําความดีนอ้องใช่อือเราไม่ได้ไปทําความชั่วอะไรเนี่ยก็ถือว่า มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำนะแม้จะเหนื่อยบ้างนะแต่มาว่าถ้าเราดูดีดนะเราก็ไม่เหนื่อยเท่าพระพุทธเจ้าไม่เหนื่อยเท่าครูบาอาจารย์เนาะเอาง่ายๆอย่างหลวงพ่อสมัยก่อ น, นเนี่ยขึ้นเขาเนี่ยไม่มีรถขึ้นมาน ะ, ะรถส่งถึงแค่ตีมเขาแล้วก็ต้องเดินขึ้นมาบางวันหลวงพ่อบอก ไปวัดนามในนักเสียชพที่สนามในหรือว่าไปมีงานที่สนามในทางวัดนามในก็ดูว่าตรงนี้มันกันดานเนาะเอาปลากระป๋องเอามามา่าเอาอาหารแห้งนะให้หลงพ่อมาหลวงพ่อก็เอาใส่ขึ้นรถนะรถบัสมาลงต่อส อ, องแถวลงตีนเขาถ้ามีโยช่วยขนมาก็ดีหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็แบกขึ้นมาเอง แบบปลากระป๋องแบบมามาแบบข้าวสารขึ้นมามาเพื่ออะไรมาเพื่อให้หมู่สงหรือว่านักปฏิบัติธรรมได้มีอาหารการกินกันหรือบางทีสมัยก่อนเน่เก็บเถ่านะี่ยเถ่าคือพืชที่มันอยู่ในสระน้ำนะเอามาเอามาทำเป็นอาหารลบาบากนะสมัยก่อนอาหารการกินก็ลบาบากนะไฟฟ้านี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะ ไม่มีนะปลาปานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงไปอาบน้ําสาเอานะหรือว่าต้องไปตัดน้ามาใช้ที่กุติเอาพวกเราเนี่ยถือว่าสะดวกสบายแล้วเนาะอืมอันนั้นเวลาเจอความยากลงบากนะพยายามให้เราคิดถึงครนะูบาอาจารย์นะคิดถึงนะบันพุดของเราที่เขาลาบากกว่าเราทังนั้นบางทีเรามาอยู่วัดนะ กุติก็ดูไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่บ้านนะอาหารการกินก็อาจจะไม่ได้ฟานนี้เท่าที่บ้านของเราอนะแต่อย่างน้อยสิ่งที่เรามีคือเราไม่ต้องอยุ่งเใช่ไหะเราไม่ต้องอยุ่งจัดการมากเพราะฉะนั้นเราจะได้มีเวลาภาวนา ม, มากขึ้นเนะี่ยถ้าเราวางใจอนยะู่เนี้อืมเราก็จะคล้ายๆอยู่ง่ายกินง่ายนะอะไรก็ได้นะ เพราะว่านักปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่าจะไม่เรื่องมากนแล้วก็อาศัยว่าอะไรก็ได้อาศัยเวลาเนี่ยแหละมาทําความเพียรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ทําความเพียรไปสมัยก่อนนะฝนตกนตามกุฏิไม่มีที่มุงหลังคาตา้องทําเดินจงกลมนะบางทีฝนตกเออยากจะเดินจงกลมยังไงกลางร่มเดิน กลางลมเดนินนะหรือว่าตามกุฏินะไม่มีมุงรวัดน ะ, ะยุงจะกัดก็ก็ต้องแบบทนเอาหรือไม่ก็ก็ต้องกลางโกดเอาเนาะทำไมก่อนนี้คารามานน่ะโยมอยู่ในป่าฝนะตกชุ่มชื่นนะกลางกดนั่งอยู่ในมุ้งถ้ามุง้ง่พงไงเองนนิดนึงนี่ก็ อยู่ในนะกุฏินะก็หลับสบายแล้วนะใช่ไหมไม่มีใครเห็นอแต่มันต้องฝืนมันต้องสู้กับตัวเองใช่อืมสู้กับกิเลสสู้กับความอยากนะสู้กับความท้อนะให้มาทำความเพียรต่อแม้ง่วงขนาดไหนแต่ก็ตั้งใจว่าจะหลังไม่แตะพื้นใช่ไหมวันนี้ก็กเราตั้งใจแบบนั้นไหม งวกันนาะไหนหลังไม่แตะพื้นแต่อเนโลมพิงได้ <c oughs> พิงได้นะแต่ะระวังสีสันแลกันก็ไม่เป็นไรเขาตามที่เราทําได้นะแต่ถ้าเราตั้งใจจริงมาว่าแค่สี่ชิโมงก็ทําวัดแล้วนะไม่ถึงสี่ชิโมงก็ทําวัดแล้วไม่นานหรอกหรือถ้าเราจะคิดถึงอีกคนหนึ่งนะอาจารย์กำพลนะทองบนนุ่ม พิการนอนปฏิบัติอยู่บนเตียงเนี่ยละง่วงเนี่ยง่วงสุดๆไม่มีทางเปลี่ยนนะจะลุกขึ้นมานั่งยกมือก็ไม่ได้ถ้าไม่มีคนอุ้มให้นะจะลุกขึ้นมาเดินจมกรมเปลี่ยนอารมณ์ก็ไม่ได้ต้องนอนนะอยู่กับเตียงนั่นแหละนะง่วงก็ทนเอานะง่วงก็สู้เอาแต่แรกๆก็ทนก็สู้แต่ต่อไปก็ดนะูมันก็เบาขึ้นนะ แต่ก่อนต้องทนต้องสู้มันก็หนักหน่อยแต่พอสติมันมากขึ้นเนาะเราอาศัยทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆต่อไปสตินั้นกลายเป็นผู้ดูมันก็จะเบาขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นนิวรณ์ต่างๆนะหรือไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดีนะเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็ดีมันก็จะเป็นผู้ดูเมื่อเราดูนะ มันก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆอยากให้เราค่อยๆอฝึกฝนไปนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะอ่ะบางทีเราเห็นอู้ทาไมคนนั้นดูไม่ง่วงเลยทําไมเราง่วงเือเกินไปดูคนอื่นแล้วก็บางทีถ้าเราดูแล้วท้อมันก็จะเหนื่อยแต่ถ้าเราดูเอาเป็นกําลังใจเนี่ยได้นะเออเห็นคุณยาย เห็นแม่ชีอายุมากมากยังสู้อยู่เราเแบบนั้มาเป็นกำลังใจได้หรือบางทีคนคนวัยกลางคนเนะเาะเห็นพักหนุ่มๆเห็นโยมสาวๆยังสู้ยังทำวามเสียเยอะเนี่ยเราก็เป็นกำลังใจได้สัอย่างที่วัดเราหลวงตากงมนะเมื่อวานอายุเก้าสิบ 90สิบปีพอดีหนแต่ท่านยังเดินจงกรมทุกวันนั่นย ง, นงยกือสร้างจังหวะทุกวันเนี่ยทำไมคนอายุขนาดนี้ร่างกายแบบนี้เขายัางเห็นความสำคัญในเรื่องการภาวนาเราเองจะรอเวลาขนาดไหนคอยมาภาวนาแล้วก็มาเตือนตัวเองนะเราก็จะเห็นความเพียรนะคือกิจที่ต้องทำวันนี้ ใครจะรู้ความตายไหพรุ่งนี้ถ้าเราทำความเพียรวันนี้นะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านะผู้ที่มีนะผู้ที่มีสตินะแม้เพียงเลาตีเดียวก็น่าชนนะถ้าวันนี้นะลาตีนี้เราพยายามฝึกสตินะแม้ลาตีนี้นะถ้าสติต่อเนื่องตื่นรู้ดีๆเนะี่ยก็น่าสนเสริญนะั่นความการที่มีชีวิตอยู่ยืนยาวนะ่ หลายสิบปีถึงร้อยปีก็ได้เนาะนั้นความเพียรที่เราทำอันนี้เนะ่ะไม่เสียหายที่ไหนเนาะก็คนะงพอสมควรเนาะก็อนุโมทนากับนะพระคุณเจ้าทุกท่านแล้วก็แม่ชีนะักนปะฏิบัติธรรมทุกคนแล้วนะก็ให้พวกเราได้อาศัยความตั้งใจที่เราจะปฏิบัติบูชานะพระพุทธพระธรรมประสงค์โดยเฉพาะ หลวงพ่อก็เกลียดสุบรรโนที่เป็นที่เคารพศรัทธาของพวกเราก็ขอให้การปฏิบัติธรรมของเราจนเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งลิล น, นี้ด้วยเชิญ